เมื่อพระสารีบุตรอธิบายอาวิชาวาระจบลงเนี่ยนะพระพิสุเหล่านั้นก็พากันชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของท่านพระสารีบุตรวาสาธุเนี่ยนะก็คืออนุโมทนานะอนุโมทนาว่าดีแล้วไต่เท้าแล้วก็เรียนถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรให้สูงขึ้นไปอีกว่า ใต้เท้าขอรับยังมีเหตุคือปริยาอย่างอื่นอีกบ้างไหมที่จะให้อริยาสาวกมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัทธรรมนี้ภาษารีบุตรก็ตอบในหน้า539ข้อ130ว่ายังมีอยู่คุณกล่าวว่าอาวุโสหรือคุณเนี่ยนะ ด้วยเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดอาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะความดับอาสวะรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งอาสวะเพียงเท่านี้แลคุณอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแกลนมาสู่พระสัจธรรมนี้ถามว่าอาสวะคืออะไรเล่าคุณ เ, นะเหตุเกิดแห่งอาสวะคืออะไรเล่า ความดับแห่งอาสวะคืออะไรเล่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งอาสวะคืออะไรเล่าท่านก็ตอบว่าคุณหรืออาวุโสเนี่ยนะอาสวะมีสามอย่างคือกามาสวะภาวาสวะและอวิชชาสวะเนี่ยนะเพราะว่าทิฏฐาสวะก็รวมลงอยู่ในภาวาสวะอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะอาสวะเกิดเนี่ยนะเพราะอวิชชาเกิดอาสวะจึงเกิดเพราะอวิชชาดับอาสวะจึงดับ ครั้งก่อนบอกว่าอวิชชาเกิดเพราะอาสวะเกิดถ้าอาสวะดับอวิชชาดับตรงนี้บอกว่าอาสวะเกิดเพราะอวิชชาเกิดถ้าวิชชาดับอาสวะก็ดับให้แปลว่ามันมันมันผนึกกำลังกันสิเนี่ยนะะมันเป็นกลับไปกลับมาตัวใดตัวหนึ่งถูกฆ่าตัวอื่นถูกฆ่าด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะคือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาการม์ตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อดดยแลริยะสาวกรู้ชัดอาสวะอย่างนี้รู้ชัดเหตุให้เกิดอาสวะอย่างนี้รู้ชัด ความดับไปแห่งอาสะวะอย่างนี้รู้ชัดค้อปฏิบัติให้ถึงความดับไปแห่งอาสะวะอย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะละราคาอนุสัยบรรเทาปฏิคานอนุสัยถอนอนุสัยคือทิฏฐิมานะว่าเรามีออกไปละวิชาได้โดยประการทั้งปวงยังอรหัตตมัควิชาให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันทีเดียว ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลคุณอริยาสาวกชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนได้มาสู่พระสัจธรรมนี้แล้วภาษาเรียบตรกล่าวจบพระพิสูจน์เหล่านั้นก็พากันชื่นชมเพราะไม่รู้จะถามอะไรเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีอาสวะอาสวะเป็นปัจจัย จ, จึงมีอวิชชาก็แปล ว, ว่าหมุนรอบเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะในอัตตกถา หน้า6กรที่บอกว่าอาวิชาเนี่ยนะอาวิชาเกิดอาสะวะจึงเกิดก็เพราะว่าอาวิชาเนี่ยมันเกิดร่วมกันกับกามาสะวะและภวาสะวะอวิชานั้นเป็นปัจจัยแก่อวิชาสะวะโดยอุปนิสยปัจจัยหมายค่ะว่าอาวิชาก่อนก่อนเนี่ยนะปุริมาปุริมาอากุศลานังปัชิมานังปชิมานังอกุศลานังเนี่ยนะ อุปนิสยปัจเยนะปจโยก็คืออากุศลคืออวิชาที่เกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ อ, อวิชาที่เกิดหลังหลังด้วยอำนาจของ อ, อ, งอุปนิสยปัจจัยนั่นเองท่านอวิชาที่เกิดในการก่อนเป็นอุปนิสยปัจจัยแก่อวิชาที่เกิดขึ้นในการละต่อมาต่อมานี่นะก็วาระนี้ท่านกล่าวโดยการแสดงปัจจัยของอวิชานี้ที่เป็นประธานคือเป็นหัวหน้าในบทติจจสมุบาติทั้งหลาย เพราะก็กล่าวอย่างนี้อีกว่าความที่สังสาระไม่มีเบื้องต้นอันใครๆตามรู้แล้วถามว่าไม่รู้อย่างไรไอ้ที่ว่าไม่รู้เนี่ยตามแล้วตามรู้ไม่รู้ไม่ได้เนี่ยนะมันเป็นยังไงที่ว่ารู้ไม่รู้เนี่ยเพราะว่าการเกิดขึ้นแห่งอวิชชาเนี่ยนะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งอาสวะการเกิดขึ้นแห่งอาสวะก็มีเพราะการเกิดขึ้นแห่งอวิชชา อาสะวะเป็นปัจจัยของอวิชชาอาวิชชาก็เป็นปัจจัยของอาสะวะก็เลยไม่ต้องอไกลกับใครใครเกิดก่อนเนี่ยนะต้นกับมเมล็ดอะไรมีก่อนเนี่ยนะต้นไม้กับมเมล็ดพันไม้เนี่ยอันไหนเกิดก่อนกันเนี่ยนะมะม่วงกับลูกมะม่วงอันไหนเกิดก่อนอันไหนเกิดหลังเนี่ยนะก็เป็นคําถามที่เรียกว่าสืบเชื่อมโยงกันไปวันที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏภาวะ พบที่สงสารเนี่ยนะมีเงื่อนต้นที่ใครตามรู้ไม่ได้แล้วพบคือการมาพบรูปประพบอรูปประพบที่เป็นการสืบต่อแห่งขันอายตนะธาตุปฏิจจสมุปบาทที่ไหลสืบเนื่องกันไปอย่างนี้เป็นสิ่งที่ตามรู้ไม่ปรากฏไม่ต้องไปตามรู้ขนาดพุทธยานยังไม่กำหนดเลยนะขนาดพุทธยานยังไม่กำหนดเลยมันมันปุ้ยตามรู้ ตามประชามัยเนี่ยนะชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งก็แล้วว่าแล้วลิกได้เป็นอสงไขยก็แล้วอสงไข่มันมีอสงไข่เดียวซะที่ไหนมันมีไม่รู้กี่หมืน่นกี่โกลาลอสงไข่เป็นต้นเนี่ยน ะ, ะสรุปที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเนี่ยนะสรุปในสูตรทั้งสูตรเลยเนี่ยมีอยู่16กวาระใหญ่ด้วยกันอย่างที่1ก็คือกรรมบดวาร ะ, ะนะว่ากุศลอกุศลกุศลละมูลและอะกุศลละมูล2ออาหารวาระสาม อริยศัตร์วาระก็คือทุกวาระนั่นเอง 4. ชรามรณะวาระหชาติวาระ 6. ภพวะวาระเจ็อุปาทานวาระ 8. ตันหาวาระ 9. เวทนาวาระ 10. ผบสัะวาระ 11. บเอสลายตนะวาระ 12. นามรูปวาระ 13. วิญญาณวาระ 14. สังขารวาระ 15. อวิชา 16. อาสวะรวมเป็น16วาระ ในจำนวนวาระทั้ง16วาระนั้นแต่ละวาระท่านวางเอาไว้สองอย่างอย่างย่อและอย่างพิสดารก็เลยเป็น32สถานแปลว่าการประกาศอริยศาสตร์ไว้32สสถานด้วยเหตุนี้พระสารีบุตรแสดงสัจจะสี่ไว้ใน32สสถานเหล่านี้แหลตรงนั้นเ็าเขียนว่างไงนะอะไรนะ 32, ที่ถูกต้องเป็น32สอง พระเถระกล่าวไว้ในสัจจะสี่ใน32สถานพระเถระกล่าวพระอรหัตผลไว้16สถาน16สถานก็คือ16วาระนั่นแหละใช่ไหมถือทุกวาระนี้จบลงที่อรหัตผลอรหัตผลทั้งแสดงแบบย่อและแบบพิสดารผนตามมติของพระเถระนั้นกล่าวสัจจะสและมัคคีไว้ใน32สถานพูดอริยสัจสี่ แล้วก็แสดงมรรคสี่ไว้32สถานเท่านั้นพระพุทธพจน์ที่พระธรรมสังฆหากาจารย์รวบรวมไว้ในนิกายทั้งหมดหนิกายหานิกายก็คือทีฆานิกายมัชฌิมนิกายสังยุตอังคุตเป็นต้นเนี่ยนะทั้งหมดไม่มีสูตรไหนที่ประกาศอริยสัจ4ี่ไว้32ครั้งประกาศอรหัตผลเอาไว้32ครั้งนอกจากสัมมาทิฏฐิสูตรสูตรนี้ชื่อว่าสูตรใหญ่ที่สุดเนี่ยนะสูตรใหญ่ที่สุด ไม่มีอะไรจาขนาดนี้อีกแล้วนะประกาศอริยสัจอย่างเดียวเนี่ยประกาศสัจจะ4ไว้32ครั้งเอาใหม่ตัวเลข32มาจากไหนก็มาจากว่า16วาระเนี่ยนะสิวาระแบบย่อและแบบพิสดาร16บหกวกสิก็เป็น32ทั้งหมดก็เป็นการประกาศอริยสัจ4นั่นแหละอริยสัจ4ี่สาครั้งพันก็เท่ากับว่าอริยสัจแต่ละครั้งเนี่ยเท่ากับบรรลุอรหัตผลได้หมด มันก็ประกาศอารหั ต, ตผลไว้32 32อย่าง32องรหั ต, ตผลอ้ยได้ฟังได้บุญแล้วรู้สึกจะได้เท่านั้นน่ะ น, นะได้ได้รู้ว่า เ, เขาบรรลุอะไรก็โอเคแล้วนะเขารู้ว่าเขาบรรลุอะไรก็ใช้ได้แล้วละ่ะเพราะไม่ใช่ว่าโอ้ยอยากจะปฏิบัติเหลือเกินไม่รู้ว่าเขาบรรลุอะไรก็ไม่รู้อยากจะบรรลุมากมายเนี่ยนะ ยังไม่รู้ว่าบรรลุว่ายัางไงบรรลุอะไรบรรลุให้มันเป็นอะไรไม่เข้าใจสักอย่างเนี่ยอย่างนี้เราพอรู้ว่า เ, ออเขาบรรลุอะไรบ้างพอดีแล้วละ่ะเนี่ยนะวันหลังจะได้ตั้งความปรารถนาถูกหมายก็ว่าคือเหมือนกับว่าอยากได้อะไรสักอย่างเนี่ยขอให้รู้สิ่งนั้นมันคืออะไรเนี่ยนะจะได้อยากได้ถูกจะได้ตั้งความปรารถนาถูกเวลาทําบุญให้ทานรักษาศีลก็ขอให้เห็นอริยสัจเธอตอนแรกบอกให้ทําบุญให้ทานก็ขอให้ข้าพเจ้านี่แทงตลอดอริยสัจ เอ่ออริยสัจมัเป็นยังไงเนี่ยนะเขมาบอกว่า อ, อริยสัจเนี่ยสัมมาทิฏฐิสูตรพระสารีบุตรแสดงไว้32วาระด้วยกันนะนะ16วาระใหญ่แสดงแบบยอ่อและแบบพิสดารก็เลยเป็น32แต่และอย่างก็สงเคราะห์อริยสัจมันอริยสัจเนี่ยตั้งสาวิธีแบบนี้ก็ได้เนี่ยนะหรือสิวาระแบบนี้ก็ได้ถ้าเห็นอริยสัจอันนั้นก็เรียกว่าทำอรหัตผลให้ให้แจ้งสัมมาทิฏฐิ ท, ที่ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะโดยเฉพาะ เบื้องต้นเนี่ยถ้าเราฟังเข้าใจว่าผู้ที่เขาตรัสรู้ผู้ที่เขาออกจากวัตตะบรรลุมรรคผลตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาตรัสรู้ด้วยการแทงตลอดสัจจะเนี่ยนะในบรรณาสัจจะทั้ง16วาระนะแบบย่อแบบพิสดารรวมเป็น32วาระเหล่านี้เนี่ยนะผู้ที่เห็นสัจจะนะไม่เกินแนวนี้หรอกเนี่ยนะไม่เกินปริยายที่กล่าวไปแล้วหรอกทีนี้ถามว่าถ้าเราจะบรรลุเนี่ยนะ ตั้งความปรารถนาบรรลุเนี่ยใน16วาระขอบรรลุวาระไหนอา้าวมันจะได้ตั้งเป้าให้มันถูกไงตั้ง3 2มสองเออสเป้าอย่างเงี้ยนะเอาเป้าไหนดีมาจัตระยาศัยกว้างขวางอย่างน้อยสวาระเงี้ยก็แจวแล้วนะเอาทั้ง16วาระเลยดีเหลือเกินอย่างเงี้ยถ้าเท่านั้นก็ไม่ว่ากันอ่ะนะแต่ว่าอย่างน้อยมันต้องได้สักข้อ น, นึงอนะ่ะตรงนี้แหละคืออวิชาเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนกับเจาะกระปองไข่เนี่ยนะเหมือนเจาะกระปองไข่ออกมาเนี่ยนะนี่ว่าถ้าเราจะเจาะ พะลุออกจากอวิชชาเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะจะวาระไหนก็ไปทำความเข้าใจหารายละเอียดหาความรู้เพิ่มเติมอย่างแบบกว้างขวางต่อไปก็แล้วกันเนี่ยนะนสำหรับสัมมาทิฏฐิสูตรก็คงจบแต่เพียงเท่า น, นี้เนี่ยนะก็จากฟังสูตรที่จบแล้วนี้ก็ขอจงเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายเจริญด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเป็นผู้เจริญด้วยสัมมาทิฏฐิ สุตตมยญาณสีลมยญาณเป็นต้นจนถึงอริยมขยานที่แทงตลอดอริยมขยานนี่แหละเป็นสัมมาทิฏฐิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตรัสรู้อริยสัจเช่นใดแล้วนําออกจากทุกขขอให้พวกเราทั้งหลายได้ตรัสรู้อริยสัจเหล่านั้นเพื่อความพ้นทุกโดยทั่วกันนะนั้นสัมมาทิฏฐิสุดก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้